ล้วก็สวดบทที่เรียกว่าอิมินาเรียกภาษาชาวบ้านว่ากรวดน้ำตอนเย็นทีจริงไม่มีน้ำให้กรวดนะแต่ว่ามันเป็นมากอะไรมันเป็นมากกว่าการกรวดน้ำสิ่งที่เราได้สาธยายมาเนี่ยขอให้ใส่ใจนะเพราะว่ามันเป็นการแสดงถึงปณิธานหรือว่าถ้าผู้ภาษาสมัยใหม่คือจิตวิญญาของชาวพุทธ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 มีน้ำใจเผื่อแผ่ให้ชาวพูดเนี่ยนะเรามีความปรารถนาดีแม้กระทั่งคนที่คิดร้ายกับเราคนที่ต่อว่าด่าทอเราเนี่มันไม่ใช่พิสัยของชาวพุทธที่จะไปแก้แค้นหรือไปแช่งให้เขาเกิดความชิบภายหรือเกิดานนะอาเยนะเวลาเราอ่าสวดบทเนี่ยนะ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 ส่วนพระราชาตื่นขึ้นมาพอพบว่านางฟอ้อนนะหรือว่าหญิงทั้งหลายเนี่ยทิ้งตัวเองไปไปหาคันติวาธีดาบทก็ไม่พอใจนะไปถามว่าเนี่ยไปหาคันติวาธีว่าเนี่ยท่านเป็นใครท่านก็บอกว่าเราเป็นฤาษีเป็นดาบทนะที่ถือเอาคันติธรรมเนี่ยนะ เป็นเป็นข้อประพฤติปฏิบัติขันติคืออะไรเนะี่ยก็คือความอดทนนะอดทนต่อสิ่งยั่วยุนะพระราชาก็อยากจะทดสอบว่าขันติจริงหรือเปล่านะก็สั่งให้เสนาอำมาตเนี่ยจับมาโบยตีฟาดเป็นร้อยเป็นร้อยร้อยครั้งไม่พอนะอยังถึงกับ สั่งให้ตัดมือตัดแขนตัดขาตัดหูนะแล้วก็ดูซิว่ายังมีขันติอยู่ไหมทำถึงขนาดนี้นะแต่ปรากฏว่าขันติวัทีนี่ก็ไม่โกรธเลยนะถึงก็บอกว่าเนี่ยนะขอให้พระราชาผู้ตัดมือตัดขาตัดแขนตัดหูตัดจมูกของเราเนี่ยขอให้ท่านนะมีความสุขสวัสดีนะมีอายุยืนนาน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 ปณิธานหรือจิตวิญญาณชาวพุทธนะที่ว่าเรามีดีอะไรเราก็แบ่งปันแบ่งปันไปให้นะไม่ใช่ให้สิ่งของให้อาหารแม้กระทั่งบุญคุศลเราก็ให้อันนี้ถึงจะเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยก็มีชาวพุทธจานวนหนึ่งนะซึ่งไม่รู้จะเรียกเป็นชาวพุทธหรือเปล่าก็สอนกันนะบอกกันไปนะว่าเนี่ย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 ถ้าเป็นชาวพูดเนี่ยก็จะรู้ว่ายิ่งอุทิศกุศลให้ใครเนี่ยนะกุศลในใจเราก็จะงอกงามไปด้วยบุญอันนี้เนะี่ยหรือกุศลอันนี้เราเรียกปฏิทานลำไม้นะปฏิทานลำไม้คือว่าบุญที่เกิดจากการที่อุทิศนะบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้อื่นยิ่งให้ก็ยิ่งได้นะเหมืนไม่เหมือนเงินนะไม่เหมือนเงินนะถ้ายิ่งให้ก็ยิ่งหมดนะ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 เมื่อเราผ่านมาแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยนะมันเป็นโอกาสที่เราจะได้ขอบคุณนะสรรพสิ่งนะที่ทำให้เราได้มีวันนี้นะหรือได้มาถึงนาทีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็มีส่วนช่วยทำให้เราได้เป็นอยู่มาจนปัจจุบันการมาเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็มีอายุมาถึงปานนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโชคเพรา ะ, ะนั้นก็เป็นสมเรื่องที่สมควรที่เราจะ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 จะฝึกฝนตนนะจะพัฒนาตนจะเพียงกําจัดกิเลสรัตัญหาอุปาทานรักษาใจไม่ให้หมู่มาเนี่ยมันได้ช่องนะอย่างที่เราสวนวเนี่ยขอหมู่มาอย่าได้ช่องด้วยเดชบุญทั้ง10ป้องอย่าเปิดโอกาสแก่มารเทินนะอันนี้มันก็เป็นเป็นปณิธานของเราอีกเหมือนกันนะในแต่ละวัน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 ด้วยทรัพย์สินของเราก็ให้เราก็ทำตามกำลังแค่โดยการก็ไม่ทิ้งประโยชน์ตนประโยชน์ตนคือการฝึกนะการฝึกจิตพัฒนาใจและการมีจุดมุ่งหมายในชีวิตนะที่เรียกว่าสูงส่งนะในบทที่เรากรวดน้ำเนี่ยนะจะมีการเอ่ยถึงนิพพานอาเอ่ยถึงนิพพานเนี่ยนะ ในฐานะที่เป็นจุดหมายของชีวิตนะซึ่งชาวผู้เราเนี่ยควรจะน้อมมาเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิตเราลิพานเนี่ยแม้จะอยู่ไกลหรือว่าแม้จะไปได้ยากนะแต่ว่าเราก็ควรจะน้อมนึกเอาไว้อยู่เสมอถือว่าเป็นบทหมายนะของของชีวิตมันดีกว่าการที่เราจะตั้งจิตนะว่าชีวิตนี้เราจะรวยนะเราจ ะ, ะเป็นเศรษฐีเราจะเป็น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 จะน้อมนึกถึงนิพพานอยู่เนืองเนืองเวลาทําบุญทำกุศลจิตก็มุกหมายไปที่นิพพานนะเวลาใส่บาตเนี่ยนะก็ไม่ได้นะอธิฐานเนยอะแยะนะอธิษฐานในที่นี้หมายถึงแบบไทยๆนะความหมายแบบไทยๆคือว่าขอขอให้ได้เป็นโน่นขอให้ได้มีนี่ขอให้ร่ํารวยคนสมัยก่อนเนี่ยนิฐานสั้นๆนะนิพพานนปจัจโยโหตุ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 นะให้ประสบความสำเร็จเนี่ยจะใช้เวลานานทีเดียว เ, ยเอามือจบนะจบหัวแล้วก็อธิษฐานยาวความต้องการนี่ดูเยอะแยะไปหมดและส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องพื้นๆเรื่องโลกโลกซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญเลยสาวชาวพุทธเนี่ยมันมีอะไรสำคัญเท่าประนิพพานอีกแล้วน ค, นคนยุคนี้เนี่ยก็โดยเพราะที่เป็นชาวพุทธเนี่ยก็สมควรนะที่จะเอาพนิพพานเนี่ยเป็น เป็นมุดหมาของชีวิตนะนที่พามาถึงอะไรมาถึงความสงบเย็นนะเพราะว่าไม่มีกิเลสนะไม่ว่าจะเป็นโลภะโทสะโมหะครอบงำเป็นพลว่าที่เย็นสงบไม่ว่ามีแรมากระทบนะมันก็ไม่กระเทือนถึงใจนะแดดจะร้อนอากาศจะหนาวหรือแม้แต่เจ็บป่วยนะมันก็ไม่สามารถจะทำให้ใจเป็นทุกข์ได้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 ในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะมีคาบดีท่านหนึ่งนะชื่อจิตตะาบดีก็เป็นคนที่ฝ่าธรรมมากเมื่อใกล้าตายเนี่ยเทวดาก็มานะแล้วก็มาเชิญชวนให้ท่านเนี่ยนะปรารถนาไปเกิดเป็นพระมหาจากกักรพรรดินะในชาติหน้าบอกว่าเนี่ยบุญของท่านเนี่ยถึงนะท่านทําบุญมามากเนี่ยบุญของท่านถึงชาตินานี่ถ้าได้เป็นจกกักรพรรดิเนี่ย ถ้าท่านตั้งจิตปราถนาเป็นจักรพรรดิเนี่ยก็จะมีโอกาสได้เป็นมากจิตตาขาบดีปฏิเสธนะไม่เอานะท่านมุ่งแต่พระนิพพานอย่างเดียวเพราะเพราะว่าแม้กระทั่งจักรพรรดิมันก็ไม่เที่ยงนะคนเป็นจักรพรรดิคนเป็นพระราชาก็ไม่ใช่ว่าจะมีความสุขนะที่ตายไม่สวยตายไม่ดีหรือว่าอยู่อย่างรุ่มร้อนนะก็มีมากมายฉัย้นคนที่ฉลาดเนี่ยถ้าเป็นชาวพุทธในที่ฉลาดเนี่ยนะ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 คนเวลาเราเจอความเจ็บปวดเจอความพาัดผ้าสูญเสียหรือแม้กระทั่งเจอคนต่อว่าด่าทอนะก็จะหงุดหงิ ด, งดโมโหเศร้าโศกนะแต่ว่าถ้าเรามองว่าชีวิตนี้เนี่ยนะเรามีพระนิพพานเป็นจุดหมายหรือว่าจะเป็นชีวิตหน้าก็ตามไอ้เรื่องเหล่านี้มันจะกลายเป็นเล็ ก, เ ล, กเล็กน้อยมันเหมือนกับว่าคนที่จะสอบให้ได้จะเรียนให้จบปริญญาเอกเนี่ยนะ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 เวลาเจอบททดสอบยากๆนีเ mm. ้เขาจก็จะไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเคราะหกรรมแต่เ้าคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เหมาะสมแล้วนะสำหรับการที่เราจะผ่านไปให้ได้นะแล้วเราจะผ่านไม่ได้เราต้องฝึกนะต้องฝึกให้ให้ให้มีความรู้ให้มีประสบการณ์เนี่ยนะเหมือนกับเราอยากจะเรียนจบปริญญาตรีเนี่ยเจอบททดสอบนะเจอข้อสอบยากๆนะเราก็ต้องนะกลับไป ค้นคว้านะกลับไปศึกษาเพื่อที่จะตอบให้ได้มีบางคนเนี่ยนะเขานะเคยมีคนมาหานะบอกว่าโอ้กุ้มใจนะเรื่องงานเรื่องการนะตอนนี้เขาเป็นเซลนะเดี๋ยวนี้ของเนี่ยขายก็ไม่ค่อยได้แล้ว เ, รเศรษฐกษิจไม่ดีคุยไปคุยไปเขาก็เองก็สนใจธรรมะนะแล้วเขาเก็บอกว่าเนี่ยในชีวิตเนี่ยก็อยากจะบรรลุนิพพานนะ ก็เลยบอกเข้าไปว่าเนี่ยแค่ปัญหานี้คุณยังท้อเลยนะขายของนะไม่ได้ตามเป้าเนี่คุณยังท้อเลยแล้วคุณจะไปนิพพานได้อย่างไรพอพูดแบบนี้เข้าเขาก็ได้คิดนะว่าโอ้เออใช่นะเราจะทอ้อกับเรื่องแค่นี้ทําไมนะถ้าทอ้อกับเรื่องแค่นี้นี่มันจะคิดถึงนิพพานก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วเพราะนิพพานเนี่ยนะมันต้องนะเจออุปสรรคเจอปัญหาที่ยากกว่านี้เยอนะขนาดเนี่ยพระตุจจานี่ นะ่ต้องผ่านด่านนะผ่านบททดสอบมากมายนะโดยเฉพาะตอนที่พระเวทสันดร น, นี่นะก็ต้องพร้อมที่จะสละทุกอย่างนะตอนที่ท่านเป็นตอนที่ท่านอาตอนที่พระเวทสันดรเ น, นี่ยนะท่านายังเป็นเด็กเนี่ยนะจิตใจก็มุ่งพระนิพพานแล้วแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะพร้อมที่จะสละดวงตา นะเพื่อเป็นทานให้กับผู้ที่ยากไร้แต่ปรากฏว่าอะขอนจริงเนี่ยให้การสละ ด, ดวงตานี่ไม่ยากเท่าไหร่ไอ้ที่ยากคือต้องสละเมียต้องสละลูกเนี่ยให้กับชูชกนี่แหละแต่เพราะท่านมุ่งพระนิพพานมุ่งพระโพธิญาณนะท่านก็เลยตัดใจได้นะถือว่ า, าจะต้องยอมที่สละสิ่งที่เรียกว่ารักและห่วงแหนมากที่สุดซึ่งก็คือบททดสอบเพื่อที่จะตัดหรือว่าวางไอ้ความยึด ในตัวกูของกูนั่นแหละเพราะฉะนั้นเวลาเราเวลาเราเวลาเรามีพันธิพาณเป็นจุดหมายเนี่ยนะไม่ทำให้เราเนี่ยสามารถจะอดทนต่อปัญหาต่ออุปสรรคเติ ต, ต่อความยากลำบากได้เวลาเงินถูกโกงหรือว่าเจ็บป่วยนะเราก็จะรู้สึกว่าออันนี้แหละคือบททดสอบเนี่ยที่เราต้องผ่านไปให้ได้ไอ้ที่เราทุกข์เพราะว่าเรายังมีความยึดในตัวกูของกูอยู่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 มันไม่ใช่เกิดจากความเห็นแตัวที่อยากจะสงบนะแต่ว่าเป็นภาวะที่เมื่อเข้าถึงแล้วเนี่ยก็อยากจะเกือ้อเอื้อเฟือเอื้อเกือเก้อคุณสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงโดยที่ไม่ได้มีความเห็นกนตัวไม่ได้มีความความทุกข์กับการที่ไปช่วยเหลือสรรพสัตว์เลยลองนึกแบบนี้นะเอาพระนิพพานเป็นจุดหมายหรือ ล, ลึกถึงอยู่เสมอเวลาทุกเวลา จออุปสรรคเจอความยากลาบากเจอความาพลาดพาดสูญเสียนะเจอความไม่สมหวังนะก็มองว่าออันนี้แหละนะมันเป็นเพียงแค่บททดสอบเล็กๆน้อยๆนะระดับปริญญาตรีเท่านั้นเองนะที่จริงเราต้องเจอบททดสอบอีกมากนะจะจบปริญญาเอกเนะี่ยถ้าไปแ พ, แ พ, แพ้กับข้อสอบระดับมัธยมเนะี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงนะการ จบแม้กระทั่งปริญญาโทแล้วเนี่ยอันนี้เป็นวิธีคิดนะที่มาช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะระดมความเพียรหรือว่ามีขันติธรรมเนี่ยในการที่จะไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้อย่างขันติวาทีดาบทเนี่ยนะที่ท่านอดทนนะไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อความเกลียดชังเนี่ยเพราะว่าท่านมีนะพันธิานาเป็นจุดหมายนะจะเสียจะเสียแขนเสียขาเสียมือก็ยอมนะเพื่อ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 แล้วก็ไปเห็นไปที่ช่องน่อนผาเนี่ยมองลงไปข้างล่างเนี่ยเห็นแม่เสือเนี่ยมันพึ่งพึ่งคลอดมันหิวโหยมากเลยแล้วก็มันก็กาลังจะกินลูกเสือท่านก็สงสารนะบอกให้ลูกศิษย์เนี่ยไปหาอาหารมาให้ลูกให้ให้แม่เสือลูกศิษย์หายไปนานนะไม่กลับมาเสือนี่ก็กำลังจะขยํำลูกเสืออยู่ ล, ละท่านก็ มีเมตากับลูกเสือมากนะอยากช่วยชีวิลูกเสือไว้ทํำยังไงอ่ะก็เลยเดินโดดลงไปเลยนะโดดลงไปให้แม่เสือกินนะเรียกว่าสละชีวิตเพื่อช่วยลูกเสืออันนี้ก็เป็นเรื่องเมตตาที่ไม่มีประมาณมากสละด้านแม้กระทั่งชีวิตนะไม่ใช่เพื่อใครนะไม่ใช่เพื่อพ่อแม่แต่ว่าเพื่อสัตว์เดรัจฉานตัวเล็กๆนะ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 ที่ใจประเสริญนี่ถึงเวลาที่มีสัตว์หรือว่าคนเดือดร้อนนี่นะไม่คิดถึงผลได้ว่าจะเกิดกับตนเท่าไหร่นะถ้าช่วยได้ก็ช่วยทันทีอย่างประโพธิสัตว์เนี่ยนะท่านก็ลงไปเลยนะโดลงไปให้ให้แม่เสือนี่ขยำ้ำนะเพื่อช่วยช่วยลูกเสือเอาไว้อันนี้ท่านทาได้เพราะว่าท่านมีพระนิพพานเป็นจุดหมายเหมือนกันนะก็คือว่าพร้อมที่จะสล นะสละชีวิตเพื่อธรรมะนะมันกลายเป็นเรื่องง่ายนะเมื่อเรามีจุดหมายที่สูงส่งแต่ว่าพวกเราก็ไม่ต้องถึงไม่ต้องถึงขั้นทำขนาดนั้นก็ได้นะแต่ว่าเพราะว่าเราให้เราถือว่าปัญหาอุปสรรคต่างเนี่ยที่เราเจอเนี่ยนะมันมันยังเล็กน้อยมากกว่าที่พระพุทธศาสนาทั้งหลายได้เจอมาแล้วเราก็ได้ข้ามไปจนได้ลองนึกแบบนี้ซะมัง่งนะมันจะได้ทําให้เรามีความเพียรมีความกล้า